วันนี้เป็นวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาปี56เมื่อเช้ารู้สึกว่าฝนตกอย่างมากตกแรงแต่เดี๋ยวเนี้พอขึ้นมาศาลาเหมือนกับไม่มีฝนมีแดดอีกต่างหากเออ ก็แปลกเหมือนกันแต่ต่อไปหลวงพ่อคิดว่ายัางกำชับพระอยู่อยากจะให้ไปใช้ศาลาใหญ่ข้างนอกที่ตักบาทเอาโต๊ะไปตั้งแล้วก็นั่นนะเราสร้างศาลายัางไม่เสร็จกับกำลังปูพื้นกำลังอะไรอยู่แต่ใช้ให้มันคุ้มค่าให้หลบแดดหลบฝนได้เข้าไปนั่งอยู่ข้างใน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 ไม่ว่าเล่นหวยเล่นเบอร์เป็นว่าซื้อหวยซื้อเบอร์ทั้งหมดในสามเดือนทดลองดูสิข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันก่อนนอนตื่นอนไม่ให้ขาดข้าพเจ้าจะใส่บาทบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าบินทบาตผ่านหน้าบ้านเราจะใส่อย่างน้อยวันละหนึ่งองค์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 มันไม่นานอะไรหรอกแต่เราเป็นมาเราอายุเข้าเท่าไหร่อะสามสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบปีแล้วมันจะรวยมันก็รวยไปพอแรงแล้วแหะมันจะจนมันก็คงจะจนแต่บัดนี้เราจะเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราทดลองดูซิหลวงพ่อมั่นใจว่าเมื่อพวกเราเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่จิตใจของเราด้วยความสัตย์จริงด้วยความตั้งใจ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 โดยสม่ำเสมอด้วยความอดทนด้วยสัจจะความจริงจังและจริงใจบัดนี้การกระทาประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของข้าพเจ้าสำเร็จสมความมุขมานปราถนาด้วยอเนิสงุด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติด้วยสัจจะความจริงใจบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลขอให้มาเกื้อกูลหนุน ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีกิจการหรือหน้าที่การงานสำเร็จร่วงไปด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคเกิดพบดใดชาติใดขอขอให้ราบรื่นได้ตวงตาเห็นธรรมในที่สุดในพบนั้ น, น, นพบสุดท้ายด้วยเทินตั้งความปรารถนาได้เพราะเหตุไรเพราะเราทำความดีแล้วเราก็ต้องขอพรใช่ไหม ไม่ใช่ว่าปลุก ป, ป, ป, ปับไปมีแต่ขอพอรวัดนั้นขอพอรวัดนี้ทั้งที่กินเหล้าหัววัดหัวเวียงไปหาขอพอรมันจะได้อย่างไงตัวเองไม่ได้ทําความดีก่อนมันต้องทําความดีก่อนจะค่อยขอพอรไม่จึงจะถูกอพูดคิดดูสิที่หลวงพ่อพูดยจริงไหมมันต้องมีเหตุซะก่อนต้งค่อยมีผลมีผลมาอย่างไงมันมีเหตุตัวเองทําเหตุไม่ดีแล้วจะผลมันจะดีได้อย่างไร บรรัคอยพวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทางนี้ให้ฟังก็เพื่อเป็นแนวความคิดในแนวปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่วหลวงพ่อเคยแนะนำบอกว่าเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าทำมาค้าขายทั้งวีทั้งวันแล้วจะไปตักบาตรตอนเช้าเขไม่ทานหรอกหลวงพ่อมันสุดวิสัยจริงจริงมันเหนื่อยจะใจบาตรไม่ทานหรอก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 อันนี้ใส่บาดวัดหลวงปู่ทินอันนี้ใส่บาดวัดหลวงปูล่ลีลูกปูมีก็ว่ากันไปเลยแต่ไม่ต้องใส่บาดหลวงพ่ออินหรอกหลวงพ่ออินเห็นเนี่ยพวกเรามาใส่บาดก็รวยอยู่แล้วล่ะ เ, เราใส่บาดครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสสมมติว่าวันนี้เราจะใส่อะไร เ, เราจะใส่กล้วยเตี๋ยวถวายพระสีองค์กระสีวัด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 พรา อ, อะไรพรราคามันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นตามความจริงฮะเราซื้อขนมเนยไอ้นมไอ้นมกล่องหนึ่งเท่าไหร่เราก็รู้ว่าเราเคยซื้อมาแล้วเราก็หยอดตรงไปในกระปุกนั้นนั่นแหละพอออกพรรษาแล้วเราก็กระทบกรบกระปุกทีก่ไหนกระทบกระปุ ก, เ, ป ก, ปกเราก็ไปเออถวายลงปูอ่าพวก ครอบครัวของในชั้นได้ทําบุญตักบาทในพรรษารวมแล้วเป็นเงินเท่านี้ขอถวายเพื่อเป็นค่าพัตนารพระสงฆ์ในวัดหรือบํารุงพระพุทธศาสนาข่าน้ําข่าวไฟที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจเราก็ได้ทําบุญทุกวันจากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอีกเหมือนกันด้วยอเนกสง์นในการ ทำบุญตักบาททั้งครอบครัวขอจะให้ความทุกข์ยากลำบากในการสะแสวงหาทรัพย์ของข้าพเจ้าขอให้ราบรื่นตลอดไป อ, อันนี้เราก็ตั้งความปรารถนาได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นการสั่งสมบุญกุศลหรือว่าการทาบุญนำสุขมาให้อันนี้สงแห่งการทาบุญไม่ใช่ธรรมดานะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่เราตถาคตได้ เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยทานนะพวกเราท่านทั้งหลายนะอันกนสงฆ์แห่งการทานนะอย่ามองข้ามเพราะนั้นเห็นไหมดวงตามหาบัวท่านไปที่ไหนท่านทำบุญทำทานถ้าเราศึกษาในชีวประวัติของท่านหรือว่าแนวทางดําเนินของท่านออตอนเช้านท่านจะพูดท่านไปทําบุญที่ไหนตัวที่ไหนอย่างวันาคาน้อยของเราเนี่ยบางทีท่านมา เดือนละครั้งสองครั้งก็มีพอมาถึงบ้านผือท่านก็ไปซื้ อ, อชวนน้ำตาลหรือขนมปังน้ำมันพืชท่านจะซื้อจากยี่สุนเป็นรถสิบล้อมาเตรียมไว้ในคลังวัดป่าบ้านตาดแล้วจากนั้นท่านก่อนขนขึ้นรถขึ้นรถใส่รถมาแล้วก็มาซื้อเนี่ย ให้โซเฟอร์ไปเอาไก่ย่างที่บ้านผือจากนั้นก็นมาลงที่โรงพยาบาลนายุงขนลงที่นั่นและก็มาขนลงที่นาที่วัดป่านาคำน้อยของเราด้วยหลวงตาเนี่วลาท่านมาน่ะพอท่านลงจากรถเท่านั้นอ่ะพอไก่ไก่ย่างมันยังร้อนๆควันยังฟุ้งอยู่ใช่ไหมที่เขาเป็นท่านซื้อมา พอหลวงตาลงมาเนี่ยกิ่นไก่ย่างเต็มตัวหลวงตาเลยอย่างั้นพุ่นน่ะท่านไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานในในการทำบุญทำทานของหลวงตาไม่ใช่จะมาจะวัดเรานะไปที่อื่นท่านก็ทำอย่างนั้นทุวกวัดอย่างที่ภูวัวอย่างท่านเป็นรถตั้งหลายคันไปมอบให้แล้วก็ที่อื่นๆก็เหมือนกันที่ไปวัดหลวงปู่เพียนก็เหมือนกัน วัดหลวงปู่คุณมีหลวงปู่ลีก็เหมือนกันที่ท่านไปที่ไหนๆท่านจะเนี่ยท่านไม่ได้มองข้ามจะไปโรงพยาบาลไหนแถวชวนภูมิแถวอไหนแถวหนองคายท่านไปหมดท่านก็ขนไปให้อย่างที่ท่านมาวัดเรานี่แหละแต่ถ้าว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านจะไปวัดตามวัดต่างๆ ช, ช่วยสงเคราะห์วัดถ้าวันธรรมดาท่านจะไป ช่วยโรงพยาบาลเนี่ยหรือศูนย์ราชการพวกป่าไม้นุ่นไปทั้งน้ําหนุงน้ําหนาวให้ป่าไม้อาหงอาหารขนไปให้และเพอเผอยังปัดใจให้อีกต่างหากอย่างมานายุงของเราเนี่ยทีละสองหมื่นนะท่านให้มาแต่ละครั้งแต่วัดโดยมากท่านไม่ให้หรอกเพราะหลวงพ่อถวายท่านอยู่แล้วท่านเคยเห็นว่าถ้าถ้าหากว่า หลวงพ่อถวายท่านท่านให้คืนมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะไม่ถวายท่านใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็เก่งไม่ใช่ธรรมดาได้หลวงตาทำอย่างนั้นท่านไม่เป็นพ่อของเราอย่างั้นแต่ท่านไม่ให้แต่ว่าท่านให้ที่อื่นท่านให้นะแต่เราเโดยมากไปแต่ละเดือนนี่ก็เอานานๆหลวงตาได้มาหลวงตาช่วยสงเคราะห์วัดอื่นๆหลวงตาทําบุญเราก็ถวายเนี่พอถวายเสร็จแล้วเราก็มาประ ก, กาศให้วัดของเราเออ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนในวัดเน้อหลวงพ่อไปกราบคารวะหลวงตาเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้นำปัจจัยไปถวายท่านสองแ 0,000 บ้างสามแสนสี่แสนห้าแสนหลวงพ่อได้ถวายท่านนะไม่ใช่น้อยนะไอ้ควาในวัดของเราก็ไม่ไม่คิดจะสร้างเอาไว้ก่อนพอหลวงตาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์อนุเคราะห์โรคเราก็ช่วยหลวงตาไปก่อนนี่แหละ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 คนก็ตื่นข่าวกันนั่นเองว่าหลวงตาจากไปอคนก็มาเห็นเนืองแน่นพอที่สองวันที่สองยิ่งแน่นกวันแรกอีกขึ้นมากราบคารวะมาทําบุญกับหลวงตาอระตูเชฟเท่าไหรเต็มเอาเต็มเอาคนมาทําบุญวันที่สามที่สี่ไม่มีคําว่าน้อยลงไปมีแต่มากขึ้นเรื่อยเืย่เดี๋ยวนี้นู่นยืนเรียงคิวมันตั้งแต่หน้าประตูนั่นนะที่เขามากราบหลวงตา ร้อนแดดเปรี้ยงขนาดไหนคนนั้นทั้งเหงื่อแตกเหงืออ่อไหลก็ยังเดินเหลี่ยงคิวเข้ามาเพื่อจะมากราบคารวะสรีระขององค์หลวงตาบนศาลาทำไมคนจึงได้เคารพคารวะอย่างนี้เพราะความตื่นข่าวหรือว่าความอะไรนะอของของคนเขาถามหลวงพ่อนะหลวงพ่อคุณ พวกเราเราคิดดูให้ดีสิถ้าหาว่าหลวงตาเนะเป็นผู้ขี้ตเนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครไปที่ไหนกัมีแตงกมิแตเอาทั้งหมดหลวงพ่อในองค์หนึ่งจะไม่มากราบไหว้องหลวงตาแต่ในหลวงตาเป็นผู้เสียสละนะไปนัดสถานที่ใดหลวงตามิแตให้ไปโรงพยาบาลที่ไหนไมิแตให้จากนั้นก็ปากต่อปากคำต่อคำ นี่แหละเครื่องมือตัวนี้แหละอที่รักษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายาสามีภรรยาลูกหลานของเราคือเครื่องมือของหลวงตาพอได้ยินท่า น, นก็ยกมือท่วมหัวและโอ้ซาทุหลวงตามีอุปการะคุณสําหรับตระกูลของเราครอบครัวของเราเหล่านี้แหละนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งไปโรงเรียนก็เหมือนกันหลวงตาสร้างโรงเรียนให้นะอช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์นะฮะ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 แต่ถ้าเราไม่มาจะเลยนั่นแหละแปลว่าไม่รู้จักบุญคุณเพอเพยังเป็นอักตันอยู่อีกต่างหากเพราะนั้นเขาเหล่านี้จึงได้หลังไหลมาถามถามด้วยสินี่แหละหลวงพ่อก็ได้อธิบายอย่างนี้แหละให้เขาฟังนั่นแหละสรุปแล้วก็คือคนที่มีน้ําใจถนที่มีเมตตาคนที่มีฐานะคือการเสียละเสียสละ ค, คือการทานไปณนะสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับ ของคู่คนทั้งหลายถ้าว่าใครก็ตามไปนสถานที่ใดมีขีดตีนีทีเหนียวไม่ยอมให้กับเขาเลยเลยเขาไม่อยากจะให้เข้าไปใกล้กต่างหากกลัวจะไปคดไปโกงไปเบียดไปบังไปพูดเรียบเคียงเอาเงินของเขาเขาปิดประตูอีกต่างหากไม่อยากจะให้เข้าใกล้เขาอีกต่างหากเนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไมืแล้วสําหรับพุทธบริษัท4เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านเนะ เรื่องการทำบุญทำทานอย่ามองข้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อแนะนำไม่ใช่ว่ามีเท่าไรถไวายบทไม่ใช่มีเท่าไรเก็บหมดก็ไม่ใช่ต้องแบ่งทั้งที่นิทานหนืชาดกที่ท่านพูดว่าทุกขตา อ, อันหนึ่งก็เก็บไว้อันหนึ่งกับบูชาเทาวดาอันหนึ่งโยนลงน้ํามหาสมุทรทะเลเ อ, เ อ, อันนึงก็ให้ปากงูเหา่างูจงอาง เลี้ยงเลี้ยงงูเหา่างูจงอางเอพระพุทธเจ้าท่านเฉลยว่าโยนลงน้าํามหาสมุทรทะเลนั่นคืออะไรก็คือเรากินเองเราใช้เองไม่เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพออแปลว่าโยนเมื่อโยนลงน้ํามหาสมุทรที่ได้ทรัพย์มาแล้วแล้วให้งูจงอางงูเหา่าให้ไปทําไมงูเหา่างูจงอางท่านบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่บ้านถ้าเราไม่เลี้ยงเขาไม่ดีเเขาก็กัด เขาก็พูดนั้นพูดนี้ทําให้ไม่สบายใจนี่แหละทุกตะหาฟืนมาขายแล้วเลี้ยงครอบครัวแล้วเอาไปฝังดินไปฝังทําไมอเอาไปฝังดินก็เพื่อกินใช้ในอนาคตก็คือฝากฝังไวสง้สร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วบูชาเทวดาล่ะบูชาเ ท, วด า, าเทวดาก็คือบูชาผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเรามา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 บวชพระสงฆ์เอหิไปขูอุปสัมปทาเนี่ยพระสงฆ์ของมากองค์นั้นกับบวชองนั้นองนั้นกับบวชองนั้นพระสาวกตอนแรกก็ บ, บวชลูกศิษย์ลูกหาพราะในสุดพระเป็นหมื่นเป็นแสนแท้เนี่ยแต่นี้พระที่เข้ามาบวชน่ยไม่ใช่ว่าเป็นลูกชาวเกษตรก ร, เ, กรเท่านั้น เ, เป็นลูกอยู่คนอยู่ในเมืองอลูกกษัตรย์ลูกพราหมณ์ผู้ที่ไม่รู้จั ก, กเกษตรก็มีเีแต่นี้พระ ที่เป็นหัวหนาเออปไปหาเที่ยวทุดงในป่าจากนั้นท่างกับไปเที่ยวทุดงในป่าพระสงฆ์ก็เดินตามไปจีละ500ก็มีส0 0ร้อก็มีทีละสี่สองค์ก็นีก็มีไปก็ไปภาวนาเสร็จแล้วก็เอากลับไปจําพรรษาที่ปัดปาเชิตวันเวลุวันบ้างแต่นี้พวกที่เป็น ไม่ใช่เกษตรไม่รู้จักเนะี่ยพืชไรของเขาคืออะไรนะพอเดินเข้าไปก็ไปเหยียบเครือเขาเถาวัลฟักแฟงแตงกวาของเขาเนะแหลกเหลวไปหมดนะเลยไปเหยียบไปผ่านไรนะักงเสียหายนะคนชาวบ้านเขาก็ติเตียนเลยโอ้ส ม, มณะสัสกยะบุตรดูสิเดินไปที่ไหนแหลกเหลวไปหมดไปเหยียบคันนากับคันนานแหลกหมดคนทั้งหนะ้าร้อยไปเหยียบทีนี้คนทลายกติ ชินนินทาขึ้นมาได้ยินพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระผู้ใหญ่เออใช่ก็เลปยประกาบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเออเอามันมีเหตุแล้วเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอชาวบ้านเขาให้เหตุผลว่าขนาดนกหนูปูปีกหน้าหนาวก็ยังมีโพรงไม้มีรวงมีรังเข้าไปอาศัย แต่พระสงฆ์ส ม, มณะสากยาบุตรทเที่ยวทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดไม่มีย่อนไปที่ไหนเกิดเห็นแต่เดิน เ, เป็นแถวเป็นแนวเหยียบพืชไร่เขาหมดพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวิตรไนขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุทั้งหลายให้จำบันษาสามเดือนตั้งแต่เดือน8เพนไปถึงเดือน11เพ็เพนแล้วก็จากนั้นไปก็เป็น เป็นช่วงกระถินช่วงเสาะแสวงหาผ้าจนถึงเดือนสิบสองเพนอันนี้ก็คือที่พระพุทธเจ้าบัญญัติตฟี่หนพระสงฆ์ก็เลยจำพรรษาไปไหนไม่ได้เข้าพรรษาถ้าอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ไม่ให้ไปเที่ยวถ้าจะไปก็ต้องสัตตาหะกรณียะมีความจำเป็นพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยศรัทธาญาติโยมในมล ทำบุญมีความจําเป็นก็ไปได้ครั้งคราวครั้งละเจ็ดวันไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาจะไปตามอําเภอจะไปจะไปตามอําเภอใจจะไปเที่ยวตามอําเภอใจไม่ได้พันสาขาดปรับพปฏิทุ ก, กฎนี่แหละพระก็เลยจําพันษาตั้งแต่บัดนั้นแต่เมื่อจําพันษาแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจถึงในพันษานี้เราจะทํำยังไง อย่างพระจักคูบาลเนีพระจักุบาลมหาเถระที่เป็นพระเถระผู้หนึ่งในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะเร่งความเพียรเพราะไม่ได้ไปที่ไหนข้าพเจ้าจะเร่งความเพียรจะเอาอริยบทสามอริยบทสามก็คืออะไรคืออะไรยืนเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานี่แหละท่านดูในพรรษาสามเดือนท่านก็เร่งความภาคเพียรของท่าน จนผลที่สุดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ผลที่สุดตาของท่านก็บอดเพราะเหตุไรเพราะท่านไม่ได้พักและก็ด้วยบาปกรรมของท่านในอดีตที่ท่านเป็นหมอยาแล้วประกอบยาใส่ตาให้คนตาบอดอพระพุทธเจา้าไม่ใช่เขาเร่งความเพียรในตาบอดไม่ใช่นะบาปกรรมของเขาให้ผลมาอีกพระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามว่า บาปกรรมอันไหนพระเจ้าข่าพระจักุบาลจึงตาบอดพระพุทธองค์บอกว่าสมัยก่อนพระจักุบาลเป็นหมอตาไปรักษาตาผู้หญิงไม่คนหนึ่งเขามีเงินอพอศัลย์รักษาตายเขาก็หายแต่เขาไม่อยากจะยอมจ่ายค่าค่ายาให้เวลาหมอมากระทาท่ามองไม่เห็นคําหน้าคําหลังแต่พอหมอไปแล้วกออ็ตาใช่การใช้งานได้ แต่ใ น, นคนเขาอยู่ในละแวกนั้นเขาก็บอกว่าตาเขาหายแล้วเอแต่ว่าหมอตามาเนี่ยเขาทําท่าตาไม่เห็นทางหมอตาเนี่ยก็โมโหเอาเถอะข้าจะผสมน้ํำกรดหยอดให้มันตาบอดว่ะนี่แหละทีนี้เอทางตอนเขาคนผสมน้ํำกรดมาเขาก็มาบอกเอลยคนณยายนี่ยานี่ยย า, ยาตัดรากนะใส่เข้าไปทีเดียวเท่านั้นแหละ หายยายายน่ะก็อยากจะตัดรากให้มันหายดีกว่าเก่าใช่ไหมล่ะพอให้ยาเสร็จแล้วก็ตะแกเขรีบลงจากบ้านเข้าไปยายน่ะก็หยอดตาเนี่ยมันก็ปิ้วเข้าไปตาเล็บบอดทั้งสองข้างเลยทีนี้นั่นแหละพระจักกรุบาลได้รับกรรมตอนนั้นแหละมาถึงจะได้ตัวเองได้สําเร็จเป็นพระหันในชาตินี้แต่ก็ตาก็แตกพร้อมกับพระหรันได้สําเร็จ วันนั้นด้วยพันษาออกวันนั้นด้วยตาแตกวันนั้นด้วยสามแตกว่างนั้นพันษาก็ออกตาก็แตกกิเลสก็แตกพระจักขุบาล น, นี่แหละกรรมชั่วย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อทากรรมชั่วนะกรรมชั่วจะให้ผลติดตามภายหลังไม่มีที่สิ้นสุด เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษานี้เราจะเอาอะไร อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้เป็นแนวทางสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานนะต่อพระพุทธอุดมมงคลพระประธานในพรรษาจากนั้นก็เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆนะจากนั้นเราจะขอพรจากพระพุทธปฏิมาที่ไหนก็ได้ไปโบสถ์วัดโพก็ได้ที่ไหนก็ได้ไวั ด, ดวป่าบัานตาขึ้นไปกราบพระประธานเออ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 และก บ, บุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้ดีแล้วนะ่ะมันเป็นพลังนะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะนี่แหละขอบอกกล่าวให้กับคณะสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคนนะในพรรษานี้ให้ประกอบคุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดนะีที่ไหนที่มันคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจะจะไปคิดจะไปทำเพราะความชั่ว เมื่อกรำชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าอย่างที่ว่าอย่างพระจักกุบาลกรำชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะกรำชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังให้ทําแต่คุณงามความดีให้สร้างต่บุญกุศลพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญไปอยู่นสถานที่ใดคิดมาเมื่ อ, อไรก็ภาคภูมิใจมีแต่ความสุขใจสุขกายสุขใจนะ ตอนนี้ไปรับพร น, นักตีเนอรรับพอรอนุโมทนาให้พอรอุทิศส่วนกุศลด้วยวันนี้